พอไปถามปัทหาดีกว่าถาภูตคาธรรมาัคคีย์เรียนช่วงเรียนจบไปเหมือนๆนะคะอันนี้เลยถามว่าภูตคากับปิชค า, ามีความแตกต่างกันอยาาาา่างไรภูตคากับปีชคา มเม็พ่มหน่อที่มาออกมาจากต้นแล้วใช่ไหมครับแถวชนพูทะค้างครับต้นแทกต้นแขกของมันที่มันยืนต้นได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมแบบนถกต้องนะครับแล้วก็ภาพพุทธคางตแบบอะไรภาพพุชค้างต้อง อ, อะไรภาพาออพิชคางแบบบัดกรอบนะ เพื่ออะไรบ้างที่สามารถนาออกหน้โดยไม่ต้องอาบัดมันเพืออะไรบ้าเพื่ออะไรบ้างครับสามารถไปนเอาไม่ได้เลยเด็ดออกไปขัดออกไปอะไรหน้าไม่วด้ไมครับต่ไค่น้ที่อยู่ในอยู่ในหม้อน้ำใช่ไหมครับในหม้อน้ำในขวดในในถังครับ ในขวดนะในถันนี่ไม่แน่นครับครับอยู่ในบ้านครับก็อยู่ในอยู่ในผมก็ถามอาจารย์ว่าถ้าไปอยู่ในอ่นี่เอาไม่หมท่านก็บอกว่าเป็นเป็นตะไคร่ประเภทเดียวกันท่าก็ส่งข้อมันออกได้นะครับมันตะไคร่ประเภทเดียวกันะที่อยู่ในขวดเนี่ยนะที่อยู่ในอ่างแล้วก็ส่งข้อมันออกได้ถ้าถ้านจะไปขาดเองนะครับแล้วก็อะไรอีกครับแรกยังมียังมีอีก ในในโมใน่าวบ้างนะนี่นะครับมีอะไรอีกะใคร้ายมีอะไรอีกแล้วก็หน่น่อันนี้หมายความออกไปเลยนะเด็กออกไปเลยใช่แต่ว่าไม่ต้องอาบันอย่างแต่แค่ไม่ติดขาดออกเลยแทนนะครับ ที่มานแล้วนะครับถูงต้องเราเนี่นะแปลนะครับเราจะตอบว่าต้นไม้ที่มันตายแล้วก็ได้ต้นไม้ที่กินมันตายแล้วเขตา ต, ต, ตายเหมือนต้นไม้ต้นไผ่เนี่ยตายหมดแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับวัตถุที่ใช้ทํากับปิยะได้มีอะไรบ้างโงบอกมา ที่เนื้นอซอกที่ตามาแล้วอะไรที่จะงพอมีสัตร า, ดาออรได้นะครก็สุกพ่อได้แล้วก็เล่นที่ตัดแล้วตัดไม่ตัดก็ได้นครับเล่นนะโค้งนะครับไม่แตะเข็มก็ได้จิ้มจิ้มาได้แต่ว่าไม้จิ้ฝฟันไม่ได้มันไม่ได้เข้าในสัตราสำหรัไม้จิ้มฟั น, นต่อไปนะครับจองยกตัวอย่างการพูดปกเกลือเ น, นี่ยเมื่อถูกสอบสวนมานะครับ จะทุบจะกบเกินยังไงถึง้ายแบบข้อนี้นะครับข้าแม่เป็นบาลการจิตชี้ขอไปพิจารณามาข้าสามมาด้วยคนรุ่นกูพูดโยงใส่ด้วยอะไรเนี่ยเออครับพีมเ็นเป็นเรื่อครับเขาสอบสวนมากอันเนี่ยทนตามแบบไปอีกตีใช่ไหมไปพิจารณอข่าว น่าตกเือ้าโมาื่ยได้ครับต่อไปนะครับสิขาโม น, นีอาร์บจถึงที่สุดเมื่อไหร่นะครับอาร์จะถึงที่สุดคุณจะเป็นป่ติีเมื่อไหร่นะครับคุณกบเกลือแล้วก็เป็นปายย่าตหรือเปล่าหรือจะเป็นตอนไห น, นะครับเกลือ ใ, ใครคนอื่นเขางงมันไปบอกคนเขางงมัเป็นอะไรอ <laughs> ินนีครับอาใครมีอย่างอีดี อามอาจจะถึงที่สุดเป็นไปยอย่ตีแเมื่อไหร่ไอ้ข้อที่พูดเกลื่อนข้อนี้ เ, เ, นม เ, เมื่อพูดเสร็จแล้วตอนเสร็จเออมื่อพูดเสร็จแล้วไอ้หนอมมือเาขาเลกสองข้อเบือใช่ไหมมีใครว่รรอาอย่างอื่นครับผมยังไม่ยอมรับทนะ้สองมตีนี้ยังไม่ถูกนะ ใี่พูดกกเกลือนะคัพอพูดเสร็จแล้วก็ตองเลยเรื่องนี้มันเรื่องที่สอเดืองต้องไปตีเราต้องรู้เองเรารู้เองพลาด้ามกลับไม่ได้ถามคนตอบไม่ได้พาดจมกไม่ถูงไมู่งอันนี้เข้ามาสองคงข้างกลางสงเลย จับตัวมางสอตเอาท่านาดูท่านดูตําโป๊ให้ไหมมีนคนไปเห็นท่านอน่ะ อ, อะไรที่ไหนไม่รู้เรื่องโป๊โปอะไรที่ไหนเนี่ยผมดูสุขภาพา <c oughs> สุขภาพเนี <c oughs> <c oughs> ่ยต้องบบเมื่อไหร่ครับจะพูดจะต้องไปตีใดเ ม, ม, มื่อไหร่เมื่อถึงสวแล้วใช่ไหมครับนั่น เมื่อถูกส่วนแล้วถูกส่วนแล้วยังไม่เป็นนะคือเมื่อถูกส่วนแล้วก็ยังพูดโกงเกินอย่างนั้นอยู่อีนะครับอันนี้ยังต้องไ ป, ไปตีอ๋อมีสวดถ้ามีส่วนด้วยถ้า ม, มีส่วนด้วยนะครับม่ใช่ ว, ว่าพูดแล้วก็ไปไปตีเดีวยวไม่ใช่นะแต่อตอนแรกเป็นทุกข์โกรธก่อนนะที่พูดโกงเกินเป็นทุกข์กรธ่อ น, นะกกกอนถ้าเรียกว่าอาบัตยังไม่ถูกที่สุดคือยังไม่ถึงไปตีนะครับจะเป็ไปตีเมื่อถูกส่วนแล้วนะก็ยังทาอย่างนั้นอยู่นะครับ อันนี้ไม่ใช่สมรู้ร่วมครับเป็นการสวดเกี่ยวกับีนาเกี่ยวเรื่องนี้นะครับสวดพิสุทธิ์ผู้กอบเกลือครับเป็นยุทพ้องเขาเลยต่อไปนะครับการอโพรธนาพระเจ้าหน้าที่แบบไหนต้องบัตรปาจิตตีแบบไหนทุกกฎและแบบไหนไม่ต้องอาบัตเลยคืออย่างนี้ครับถ้าเจ้าหนที่ขาท้าหน้ของทูลอยู่แล้วครับ คือคุยคทเปี่ยนเรียนครับงานที่เราทำมาดีเราชอบแวครัต้องทำแต้องนตีเลยครับแล้วก็ทุกเกทุกกะทุกดนะทุกเลนที่ที่แม่ร่าสมุนินะคะต้องมาทุกเกาะครับแล้วก็ที่พูแล้วต้งแคืออย่างนี้ครับคือที่สุดแท่านาจี่ท ไอ้ผู้จหลบเวรทำหลบเทียนจริงจริงคือไม่ค่อยเทียนต้นแล้วก็พูดตรงประเด็นคือต้องนะครับต้องนะถูกต้องของที่จมนาต่อไปนะครับการนําเอาเทียนต่างเป็นต้นไปตั้งไว้ในที่แจ้งในสถานที่ใดและเวลาใดที่ทําให้ต้องอาบัติเมื่อเหน็ดไฟโดยไม่ยอมเก็บ เอาไปตั้งไว้ท hmm. ี er, next, ani ่ไหนเวลาไหนเรื่องดูไหนอุปการะตั้งไปเรืองดูผนใช่ครับสอคือที่นอกปิที่ที่ไม่มีมูบังใต้ต้นไม้ที่มันโปรนโน้อการ์ขียอันของพ่อก่อนที่การแจ้งไม่ีมูลบังใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ต้นไม้ที่โน้มมันจะถ่ายมูลลงมาอดใช่มครับครับ ถ้าเป็นรดูอื่นเอาไหมดูอื่นไม่ใช่ดูฝนนะแล้วดูหนาที่ที่ฝนยังตกก็อาครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่นอกกาถ่ายมูลอ่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่อดูใช่ไหมเรื่อดูไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นการแจ้งคือเรื่อดูฝนหรอรอดูหนาที่ฝนจะตกยังไม่ทับต้องถามว่านําเอาศสนาสนะไปตั้งไว้ในที่กลางแจ้ง นั่นไดกดูฝนด้วยนั่นได้ดูฝนแหละไปตั้งไ้การแจ้งเลยแต่ไม่ต้องอาบันนะครับอันนี้เป็นอย่างไรโจบอกมาแล้วก็อันตรเดมีอันตรายเกิดขึ้นแรกะครับก็เหมือนกับชาตเกิดยืนในกุฏินั้นโลวกิงหมดแน่เลยมันก็ใสม่เป็นยามันยังยืมขาสขาพกีอานะไปฝืนไว้ชั่วขาใช่ไหมครับ เมื่อไม่มีเมื่อไม่มีที่เก็ก็เอาผีหลอกมาจับเองก็ได้เออเออเออเอ้ที่ก่นนะครับเอาว่ามีอันตรายเป็นยังไงครับมัายกมุกเสี่งเขาจะมาจับสิหรือว่าคู่อาลีจะมาทํร้ายใช่ไมต้องหนีเอาตัวรอดก่อนไม่ต้องหูเตีหยวหูต่างหรอกใช่ไหมครับหนีไว้ก่อนนะได้ มณฑนาชีลคอมมินจันอะไรอีกข้อดีปลัวไม่ใช่หาที่เก็บไม่ได้ฮะที่เก็บไม่ได้อันนั้นอันนั้นเปนอีกข้อนักกิเรื่องมองหมาอนนี้อีกข้อนะครับป่วยอาภาะนะครับไม่มีในอนาัตนะเพราะว่าเราสามารถคุเก็บให้ก็ได้ถ้าเราป่วยนะมีอมนุษย์ก็ถูกต้องเลยย่างลงไปนั่งอยู่นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บแล้วไปไกล้ พวกยักษผู้เปลยนนั่นมไปครอบครองไปนั่นอยูตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนีย่ยถูกต้องไหมครับอนะอวิธีเก็บเจนาสนะนะในกุฏิที่โปวดจะขึ้นได้ในกุฏิที่โปวดจะขึ้นได้นะเราจะเก็บยังไงในเมื่อไม่มีใครให้บอกลาเลยควรเก็บอย่างไรเรับก็ Girl, เอากรอปอมาวางสักสอสี่กรอสี่กรอ เราก็ตังไว้บอกใครไม่ได้ไม่มีใครเเอาก้อนอีกตั้งไว้สีก้อนเฉยแล้วมันการวกได้แล้วตังตั้งให้ขาดขาเตียงครับเอาอะไรตั้งบนอะไรยังไงเอาขาเตียงตั้งนอีกสีก้อนแล้วก็ยังไงครัทีนี้แล้วต่างผลต่างผลสัมภาระเหลือมาวางบนเตียงนะครับสี่ชั้น ครับใไ่ได้แล้วก็ติดไปเลยครับได้คนเดียมได้ยางไงครับได้สี่ชั้นไสกสี่สี่ชักได้ไม่ติดไม่เตียนเยอะครับและแต่งอันนี้ไม่ได้กาหนดนะเพราะว่าของอยางอื่นมันจะตั้งวางกองบนเตียงนะใช่ไหมครับอันนี้ได้นะครับต่อไปนะครับที่สุประแห่งไหนบ้างที่ไม่ควรยาวจากข้อทีสอง พิสูจน์ผู้แก่หนึ่งอนุภาพสองซึ่งแก่แล้วก็พิสูนทีีอกคาระต้องตรงเองเทาจเ้ามีคลังต้องสมมู่ต้องมีสมมก่อนนะครับค่ะรู้สึกมีสองประเภทที่ต้องรับสมมุติก่อนคือพิสูจนแก่เนี่ยนะและก็ที่เป็นอุปการะตัวสองต้องสมมติก่อนถ้าพิสูจน์อัพพาร์ตเาม่ต้องรับสมมูลหรอกนะครับแต่ยังไงถึงยังไม่ได้รับสมมูลนะหรือผู้แก่ก็ไม่ควรยัดท่านอยู่แล้ว พอเธ่าแก่ใช่ที่เดินทางชนะได้ใช่ถ้าไม่ได้สมมุติเราอ็ยากให้ได้นะถ้าม่ได้สมมุติครับตอนเราสมมุติจากสองรุ่นะครับเห็นว่ามีปรักกาล่ามากจ้าที่ชนรชนะนี้ลาออกไปหลายุนัล้นนะเปลี่ยนรุ่นเรื่อยนะครับรนอะไรแต่จ้าที่ของข้องคลังอยู่ผมตลอดเลยนะ มีลวงพี่แห้งมาช่วยบ้างครับเมื่อก่อนงพี่กินช่วยบ้างนะแต่ันก็เป็นยางเลยต่อไปครับอะไรอีกนเอะบุคคลในบ้านที่สา ม, มารถฉุดออกจากวิหารของสองฆ์ได้โดยไม่ต้องอนุบาทครับหนึ่งพี่เสวนาีสองผู้ก่อการทะเลาะีิวาท พิสาริสุบ้าครับแล้วก็ต้เป็นส่วนโหรือไว้เนี่ยสิอันนั้นประกอบการทดลองวิวานเดียวกันครบับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่ตรงประเด็นกว่านี้อันนี้อธิบายโยนของแกนนอกสุติไปเลยใครครับ อีกคนเนพุ่งพ่งพูดมันต้องชงงนะพูดเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่พูดแยบนีไม่ใช่ไมูู่ดถกอ่ันนี้ครับอะไรใครกใครเนี่ยอันนีุ้่นผ้านะเพราะว่าฉุดเน้นออกก็ยังต้องอันบัตรกดใช่หมอันนี้แบบไม่ต้องอันบัตรเลยหรือไม่ต้องอับัตรเลย เราได้สองคนแล้วนะเราสองคนใช่หมพิสุพสบ้านอนารัชีกับการทรวิบ้านนะใครอีกอีกอกรณีเรียวได้นะในกุติสองนี่กุฏิสองด้วยนะคะนนรับครบทุอะไรเยเนี่ยบอกว่าชโนจามีหารของสองได้ไม่ม <c oughs> ีครับ สมมติเม้าเจ้าชุดอ๋อสมัตสมว่าสมมติว่าเนมมาอยู่กับเรานี่นี่ลสมมติที่ใช่ใช่แล้วนั่นเฉยนะสติวิหาริวันเตวัสิที่พระพุทธมิจฉาคือรู้สิษย์ลูกหาเรานะเป็นสติวิหาริคือรู้ศึษยของอาจารย์ สถิริหารรู้สึกของประชาชนนะครับที่บวกชปุประชานี่เรียกวิหานีิส่วนเตวัสิกก็รู้สึกของอาจารที่ถื อ, อาทิศอยู่ท่านนี้ครับเราก็สามารถไลายอย่ออกได้นะพอเพิ่มมีชอบเขามีมารยาทไม่สมควรทำตัวไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็ไล่ออกได้ครับต่อไปจังหวัที่บางเวหาสาังคุติและมหันตากาวิหารสิกขาบทมาอาังกติลอยฟ้าเมื่อกี้นะ และก็ไอวิหารใหญ่เมื่อกี้นะครับมันเป็นอาอธิบายมาเลยนะค่าารสิาบนนี้มานะอากุติ้อยฟ้าค่ะมีขั้นตอนการต้อนอะไรยังไงครับอันนี้้ทาที่เดินแล้ว ไ, ไ, ไม่พ้นหัวนะไปกุฏิพ้นหรือไม่พ้นเราเดินลอดไปชั้นล่างนะพ้นหัวหรือไม่พ้นครับพ้นสรรีสันนครับเท้านี่แหละอันนี้อันแร ขาหาเตียงนนไม่ได้เต็งฉลัไว้พื้นกระดาษข้างบนไม่มีขาอยังไม่ได้ผูไม่ได้ผูกพื้นกระดาษข้างบนับเตียงไปไว้ข้างบนเลยว่าขาไม่มีอะไรจะัอะไรก็ตั้งไว้บนเาเรียกุส่หขเป็นิติสองนะครับนี่จะตั้งบัตรตอนไหนครับตอนที่ไปนั่งไปนนอนไปนั่งหรือว่าไปนอนใช่ไหมครับ อ, อันนี้ต้องอบัต ปาิคร<ต>ับเกินอลายรก็ต้องมาหลารัเาเขาตกียการการนักันนอครับถกต้องครับอายาผยืนไม่เอานะเอานั่นกันนอนนะครับยืนไม่เอาเอามหาลกาณิหารนะครับข้อมูลหลังค้างเมื่อกี้น่ะลองทีบานเป็นยังไงมงชาววงชาเรืองหลังค้า เป็นเป็นกุฏิยังไงคอนี้เป็นกุฏิใหญ่รีวิโอเขาทำมีเจ้าภาพจะพักทารให้ครับก็พิสูจน์รูันครับต่างกลางที่โน้นไปยืนดูไหนอืมช่วงระหางที่คนที่ทางานข้างบนมองเห็นแล้วก็คนที่ข้างหน้ามองเห็นคนที่ข้างบนถ้าเราไปยืนในนาเท่าไหร่เป็นไรยีในนาในไร่เท่าไหร เป็นวัรทุกกดใช่มเป็นของสีงเสียวนะครับแล้วก็อะไรครับมุงบนเกินมุงบนเกินมุกน<า> ม, มกนี่ชั้นครับสงา ม, มุงเกินสามชั้นนะครับไอ้สองเป็นอยคเฉยๆนะมุมกินสามชั้นนะครั บ, ออร บ, รบต้องบัดไปตีเลสก่ะมนครับต้องนี้ต่อไปรู้อยู่ว่า น, น้ำมีตัวสัมเอาไปรดย้าหรือ เอาไปแล้าก น, นะครับเป็นปณิบัติก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นอย่างไรจดทธิบาา้านว่า น, นี่ง่ายแล้วถ้ามีเจตนาจะฆ่าก็เป็นปนาณิธานใช่ไหมถ้ามีเจตนาจะฆ่าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นนะครับนี่อีเจตนาครับเอ้ดี๋ยเขาแก้หน่อยนะวันนั้นที่พูดถึงบันดอลนะครับบัดอลที่บวชไม่ได้นะเอาบวชได้ก่อนนะพวกต้องดูหน้าคือจีกับพู้ที่ต้องดูคอนเซปต์เมนท์นกันนะครับสองพว้นี้บวชหน้าครับ แลรา้นผพดถือว่าผู้ทีดูคอนเสิร์ตเมทลกันไม่ได้อันนี้บวดได้นะเป็นบัณฑบารแพทย์หนึ่งครับเขาจะละเนือความเล่าร้อตะวันะวนได้นะด้วยการไปดูคนเสิร์ตเมทูลครับแต่พวกนี้แปนะต้องได้ดูเข้ามีอะไรกันนะครับและกาจะเกิดความริษยาเมื่อเิดิษยาก็จะหายกสันจะหายเล่าร้อนะครับพวกนี้ไม่ยอมบวชได้นะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับยิ่งดูยิ่งเกิกันสันอันนี้ไม่ใช่บันดอกพวกนี้แล้วนะครับพเไม่เป็นผู้ชาช้าจะหายนะครับเวลาเข้ากับกสันเกิดหยาดขึ้นมาน่ะเขาต้องไปดูตรงนั้นมันถึงจะหายครับครับาดูแล้วก็ต้องเกิดนิสยัยนะมีอย่างนี้ด้วยนะครับอีกอย่างก็อีอิจฉาเขาหยเนี่ยมือนก็อยตัวไม่ได้ทำไม่ได้อนะไรเข้าน่ะ กฤษยาเขอามาแล้วฟ้าเราก็จะสงกไปไม่ใช่เกิดแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปช่วยตัวเองแล้วหาอย่างนี้นะอันนั้นไม่ใช่น่าผู้ชายนะผู้ชายแล้วนะครับเพ่าะฉะนั้นมันออกเขาที่ช่วยตัวเองหายยากคือชายผู้ชายนะครับที่ดึงหายก็ผู้ชายที่บวชไม่ได้คือพวกอถูกตอนใช่ไหมแล้วพวกมันมีพามวาลูกต้องไหนเกิดนะครับสองคนที่บวชไม่ได้นะพวกปักหานก็ปัก เพราะข้างที่เป็ น, ปนบรรดาบวชไม่ได้ข้างไหนที่เป็นบหรบวชได้ค ร, นนดครับอันนี้ก็มาแก้ให้ครับอันนก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะพวกนี้ค่อยมาว่าเอามาเข้าว่างนะครับวันเดียวจบเลยไม่ว่างละเอียด ม, มากนะอ่ า, หาให้ฟังก็่ได้เลยนะครับ จ, จบสิข้อจบสิคอลเลยครับก็อยากให้ฟังไปเลยจะไม่จบได้เลยครับอาจจะอธิบายข้างข้านิดหน่อยนะ แน่จะมีต้นมันอย่มากครับแพทย์ขาดพุธมีไม่ใชขาดต้นาออยางเลย <c oughs> ข้อหาเลยนะหาย<ๆ>หไปก่อนนะครับจะได้ตวามพืชตัวถูกใช่ไหมถ้าพุธมีแพ่ก์ขาตั้งห้ารูปเนี่ยบวชพุธมนะนะีได้เลยนะพิสูจนให้การพจธมีห้ารูปนะบวชพุธมีได้เลย ขอประสงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในทานสศนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมินของพระสัมมาสัมพุทิจ้าจงเด็ดทิศหมายด้วยกันทุกท่านแทน